ขณะนี้พวกเรามาปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติสติก็ไปตั้งไว้ที่กายเป็นเมื้องต้นแต่มันก็ไปตั้งไว้ที่จิต ด, ด้วยทำอย่างเดียวมันวควบคุมหลายอย่างประากายจิตที่เป็นส่วนใหญ่ๆเป็นกองใหญ่ๆ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 เป็นด่านไม่กักเอาไม่ได้แล้วเรื่องของกายเรื่องของเวทนาก็เหมือนกันเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับรูปส่วนเวทนามันเป็นเหตุเมื่อมันทุกข์ก็ไปถึงกิดถึงใจทาให้ใจทุกข์กายเราก็ทุกข์ใจทุกข์ใจเราก็ทุกข์กาย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 ย่อมคิดเรื่องเก่าให้มันหลงก็กลายเป็นความหลงที่เป็นไปเปะไปเพื่อนเราติดไปวันนี้เรามีสติมันไม่เป็นเหมือนเมื่อโก่อมันหลงก็เห็นความหลงเห็นความหลงบ่อยๆการเห็นสิ่งเก่าบ่อยๆที่มันไม่ใช่ที่เรื่องการกระทําของเราก็เกิดปัญญาตรงนั้นด้วยจนเห็น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 เ้าก็แสดงอยู่เสมอความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนแต่กนเราก็ถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำพอมาเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริงในความไม่เทียมก็จะแสดงอยู่ตลอดตั้งแต่เกิดจนตายในความไม่ใช่ตัวตนก็แสดงตั้งแต่เกิดจนตายในความเป็นทุกข์ก็ต้องแสดงอยู่เช่นนั้นในกองรูปกองนาม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 เหมือนสิ่งที่เผาผมรู้สึกตัวเหมือนเผาเผ า, เผากินเลสเผาความโลภ ค, ความโกรธความหลงไม่ให้เหลือรู้สึกที่ใดอะไรก็ตามถ้ารู้สึกตัวถ้าพลังแห่งความรู้สึกตัวนะกวาจัดกินเลสธรรมทั้งหลายได้เช่นเราก็ใช้ได้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นพอมันหลงที่ใดรู้สึกตัวเนี่ยความหลงก็หายไป พอมันโกรธที่ไรลูกศึกตัวความโกรธก็จะหายไปหรือเบาบางลงอย่างพระสะจิตาคามเมีก็ไม่ใช่เรื่องอื่นพระวองพระสิกิตาคาเมก็ทําลายความโลภความโกรธความห ล, ลงเบาบางลงหรือหมดไปสําหรับพระโสดาบันเนี่ยครับลายสกจัติทิฏฐิ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 ผมหลงก็ผ่านหน้าผ่านตาผ่านดวงตาภายในคือสติสัมปชัญญะเป็นดวงตาภายในเห็นแต่ว่ารู้แล้วก็ว่าได้รู้แล้วสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นนี่ไม่ใช่สติสติรู้แล้วนะรู้แล้วอะไนะไปแบบนี่ไปทางนี่นะปฏิบัติธรรมมันเป็นทางดูวมรู้สึกตัวเหมือนทางคมหลงก็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 ในบางทีตาไม่เห็นแต่ต้องสัมผัสดูมันก็เป็นอย่างนั้นนังคนตาบอดความทางเขาก็รู้จากทางเพราะการสัมผัสการปฏิบัติธรรมมันเป็นทั้งพบเห็และการสัมผัสสัมผัสกับความหลงสัมผัสกับความรู้สัมผัสกับความไม่ทุกข์สัมผัสกับความทุกข์เขาก็เลือกเป็นชีวิตเนี่ยมันต้องเลือกได้เลือกเป็น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 เนพระโสดาบันพระอริยบุคคลสมัยขั้งพุทธเจ้าเป็นคราวาา่าตญาจอมีมากยังไม่ได้บวชบวชบรรลุธรรมล้วจึงมาบวชเกตสิบเปอร์เซน์อย่างเป็นจ้าวิคีเนี่ยบรรลุธรรมเราจึงค่อยบวชยาสาวกนบุตรบรรลุธรรมล้วจึงเลยบวชหลายหลายรูปที่บรรลุธรรมแล้วจึงบวชทีหลัง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 30นาทีเป็นการเป่าปอดเหมือนก็โม้อกรองเป็นการฟอกปอดให้มันสะอาดาเช่นน้ำตกเขาเป็นปอดที่ฟอกต้มที่เสียให้มันดีเวลาน้ำตกมันอากาศเข้าไปมันฟอกมันเป่าเราทําวัดเช่าทําวัดเย็นเหมือนกันเหมือนกับการเป่าปอดมันก็เกิดอะไรสง่ง